พุทธะโสมาสมทางทายตะปริโยรพันนังเอตังโมทานะระทะนันเถเอมันจาหนมปริยาญาจ่าอัจโตต้าไดญาจามันใจสังกจังธรรมโมโตธรมโอธโอกาสดีที่เราท่านสลายมี ศัทธามาฟังทานามพุทศานาเพื่อเพิ่มเติมเติมที่ปัญญาสมาปฏิบัติยิ่งกันไปเริ่มต้นผู้นิมนต์บอกว่าเป็นการบัตรรูชาก็แสดงว่าแทนที่เป็นบรรยายตลอดก็จบไปเลย เราใช้วิธีบรรยายพอสมควรพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ให้นั่งภาวนาเล็กน้อยอย่างหนึ่งชั่วโมงนี้บรรยายก็งวดละสิบห้านาทีนั่งภาวน้านาทีแล้วก็บรรยายอีกสิบห้านาทีนั่งห้าน า, ญญาทีบรรยายสิบห้านาทีนั่งห้านาทีก็เป็นสามงวดหนึ่งชั่วโมง ประมาณนี้เรื่องของวันสําคัญพุทธานั้นมีด้วยกันสามวันตามที่เรามีการถึงมาลัคนไตรพุทธเจ้าประดามุตสงวันพุทธจัดเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันประสูติสัตยุโรก็เป็ที่ว่าบริพานของเจ้า ถัดมาเปวันพระธรรมวันมาฆบูาชาเป็นการแสดงธรรมโปรดผ้าสารที่พระองค์ส่งบริกาศศาสาเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้ทราบถึงหลักการสำคัญที่จะไปกราศาสนาต่อไปไม่ใช่ท่านนั้นเป็นอะไรท่านเป็นหพรแล้วที่ตัวหนึ่งเยกวัน อาสาบูชาเป็นวันพระสงฆ <c oughs> ์เป็นวันพระเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกขจริงแต่มันเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกยังเรียกว่าวันพระสงฆ์ก็ต่างกันว่าเวัน้นพระสงฆาเป็นเดือนแปดแล้วก็เลยมา โรมาประกาศนายแลว้วก็สังสอนท่านแล้วนั้นเป็นพร ะ, ะองาก็ส่งประกาศนาจากที่เว่าวันพ์ธตัวตะทตวิบาลพัฒนาวันรัตาวิยาถัดไปเป็นเก้าเปนสิบเด็ดสิบองหนึ่งสองามเพนท่สามนี้พระสงฆ์ท่าตจะงประกาศนายนั้นไม่ได้กันทั้งหมดพันสอรห้าิอง โยคนละบ้านคนละเมืองพู้เจ้าทรงทรงไว้คารตราชุดแรกนั้นเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มรุมกบุคคทํรรมแล้วค้นจากวงของมนุษย์้นจากวงของถวันแล้วจึงให้ไปเพียงองค์เดียวแต่ละบ้านแต่ลเมืองเดียว ไม่ต้องไปหลาองค์ก็พอแล้วเพราะท่านเหล่านั้นเป็นพระหัตเคียนศพแล้วไม่มีอะไรทำให้ต้องมองหรือต้องเอาทใจเพื่อนแล้วนั้นใหม่ๆท่านเหล่านั้นก็จ๋าไปตะพังตะพังพูดองไปนะคุณเจ้าจแนดงทําให้ฟังเป็นผู้ดี ให้บวแต่ยองเองแล้วที่ที่กงค์สมบัติแล้วท่านละนั่นแต่องค์นั้นคุณเจ้าโปรดให้เป็นพระหันแล้วเป็นพรหันเคียนจบแล้วท่านละนันจำนวนทั้งหมดที่ส่งอ ง, องายนั้นหลายข้างหลายขาวไม่จะพัน ร, ร้อห้าทีบองค์สำคัญก็ วันที่ท่านเดินทางมาเา้าขุนเจ้าพรอ้อมเพียงกันชาวบ้านเขาอัศจรรย์ว่าธรรมนาผู้รงขาวไปอยู่ผู้อยู่เมืองไกลอยู่บ้านเมืองไกลเขต้องมีเป็นคนเดินฐารเ้างหรือแหกมาใช้ขี่มาไปขาดบ้างท่านเหล่า น, นั้นมาเา้าขุนเจ้าพรอ้อมเพียงกันที่วัดได้คุณศา วัดแรกวัดเ ว, วโรนารามเตสเจ้าพุทธานถวายที่สร้างวัดให้พระเจ้าวันแรกบอกพระเมียงก่อนอันนี้เป็นเรื่องอัจงศจรรย์รับชาวบ้านและรับผู้ที่ทรงอวิธิมิธาแล้วเขาเรียกมีอานุสนาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม พิเศษถ้าผู้ที่บระหานที่มีความสามารถทางด้านอพิญญาอิยายาอทธิวิธีมีฤทธิ์มีเดชเราก็ทิ่ปร ะ, ต โ, ปประตปโตดหูเททิพย์ตะโตกตาเทปใจตัวรยานสามารถรูู้้อตรงก่อนในทางกายได้แล้วก็ พกเพ็นมาสัญญานนี่ใช่ข่าวได้ลงท้ายแต่องค์ก็อารวาห์กา น, นอารวาทําแล้วสำคัญคือเมื่อพระองค์ทรงเป็นโอกมีเหีุวิธีสูงสามารถส่งโทรจิเจตอย่างท่านรอรรนั้นบ้านใดบางไหนก็ตามขึ้นที่เป็นโรกเสร็จแล้ว ใคยของวายัาซึ่งทำไมก่อนนั้นไม่มีโทรศัพท์ไม่มียุแต่ว่าเรื่องพลังเจตนี้ยเป็นเรื่องธรรมนารับพระหันท่านตรงโทรศัพทเไปแล้วท่านแล้วก็มีเจตริยาณสา ม, มารถรับกราแสเจตของผู้ส่งได้ตอนนี้ยังมี เป็นด้านที่ผมเรีกไปเฉะนั้นเรื่องการเดินทางพระหุเจา้านี้อันหนึ่งคืออศัศจรรย์นในเรื่องชาวบ้านแต่มาเป็นเรื่องของพระผูทรงปัญญาเพราะั้นวูชานาลารเรื่องเรียกว่าสามารถจักรู้ตำลที่ควจะไปเรีก่กสมัยที่ต้องมีแผนที่มีคนชี้น้ำี่ทาง ท่านไปเดินทางมาพระองค์เจ้ามาถึงวัดเวโรร า, ามพร้อมเพียงกันมังก็บ่านรู้ที่แียงว่ามีจาริปทิป่าทลวกวัดนี้อยู่ตรงไหนเราท่านนั้นยังยังไม่รู้ว่ามีวัดเวโรน า, ามที่แรงว่าเรื่องของยานรรุสราคุณานี้ยใครทำแก่ก้าแล้วก็มี ย่างนหลายอย่างยั ง, งกล่าวแล้วสําคัญคือขุนเจ้าได้เขียวการนั้นแสดงโอวาทปาิโมกเป็นปาิโมกหมายถึงท้นทางไปสู่ความพ้นทุกเป็นโอวาทถ้ารานั้นเป็นพระหรันเที่ยดจบแล้วจะโปรอะไรไม่ได้โปรได้เป็นอะไรไ แต่เพื่อให้ทราบว่าท่านจะปธาธาัะกาศนานนี้สานศริษย์ประกาศานนี้ต้องมีหลักเดียวกันเพื่อจะียกว่ามีแนวร่วมหรือว่ามีการเข้าใจคุณษาในภาพรวมเหมืมอนกันซึ่งเราคงได้ฟังและอ่านมาไม่น้อยแล้วเรื่องวังนเมนี้มี เป็นส่วนทั้ส่วนอัห น, นึ่งคืออารมการส่วนสองเรียหลักการส่วนามเรียกว่าวิธีการในเรื่องอารมการนั้นขึนน้นต้นที่ว่าขันเตปรมันตโตติฏิขาขันเตนตพุทธป ร, ปรมติฏิขาความอดทน เป็นความเพียรผู้คนอะไรยงนี่ผานัางป ร, รัมังวนิพุธานี่ผ่านนางป ร, รังมังวนิพุธานี่ผานไปรมธรรมเพราะนี้เป็นเหตุเป็นผลรมธรรมนั้นทําที่ใหญ่นั้นได้แก่มนกิเล่เข้าเกิดนิพพานเหตุโดยพื้นฐา น, นคือว่าต้องไปเอาอ่นทนไม่อ่อนแล้วความเพียรก็ไปไม่รอดไม่ความเพียรแล้ว ก็จะไม่สนใจศึกษาภาวนาก็จะไม่เกิดเป็นเรื่องของสมานนิ้ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดสติดังนั้นเรื่องความเพียร น, นี้เรื่องอดทนของช่วยให้ความเพียรพดยากไป่ได้และต่อไปก็เชิงว่า นี่ว่าในใบโตเวลาเราคาเทอุทิภารมหายเมื่อ ย, ยโตถ้าเป็นอรชิตแล้วถ้าเบียนเบียนผอื่นไม่เชื่อเป็นบริชิตถ้าเป็นธรรมนัแล้วยังมีเี็นผอื่นไม่เชื่อเป็นธรรมนาแสดงว่าเรื่องการเบียนเบียงอนไร เรื่องการทำให้ผู้นับบากรีไม่เยี่ามยิของธรรมะไม่เยี่ใมยิ่ยงมารวิชิตเมื่อปวดแล้วแสดงว่ามุ่งหาความพ้นทุกข์องกรรมกัตุกทางจิตใจจึงต้องเรียกว่าเป็นคนใจดีพอสมควรหรือว่าได้คนเก่าที่แหลกเบาบางพอสมควร เพียงทำร้าผู้อื่นอยู่เป็นผู้อยากได้รับถธอที่เป็นส่วแดงแต่แดงเทอมผู้รวมการพุทธาสอีกตั ว, น ห, น ว, น ห, นวนหนึ่งเป็นเรื่องของหลังการอ่หาหนนำชั่วทั้งผองปองระเวน้นเพียงเพนความรีสวีพรายใจให้ตาอาจขาดปรมงมลที่บนเราจดใจ คนของวุฒิจดหัวใจแสดงถือว่าอาจารตศีเป็นปรนธานวัฒนธเป็นแม่บทเป็นธรรมนูนแต่ว่าเร้่องนี้ถือเป็นหัวใจศาสนาเรื่องว่ามีหลักการใหญ่ที่ตอบแล้วคือให้ละบาปอย่าทำชั่วบาเพ็ญบุญทำกุศลให้ทั้งรอมแล้วก็ออกมีการชั้นจิตให้ผ่องาสด้วยการ ภาวนานจนั่งเรืงการเวทนาจิตบริสุทธิ์เป็นเรื่องของรัช ก, การที่ตันีนเป็นวิธีการก็จะไว้ชีเจงหรไอย่าง ท, ทีนึงตอนนี้ก็อยู่ในเคสประมาณพี่พ่าเรก็นั่งภาวนาสักงาทีให้ทบทวนการฟังธรรมวุตถานนี้ เมื่อฟังแล้วให้เราหนึ่งเมืการไนิยินฟังเป็นทุจริตเมียปัญญาเมื่อฟังแล้วถ้ายาวกันไปจะจับต้นทอนปลายไม่ค่อยได้รริเกณ์เม่ยาวนะั่นก็ทบทวนว่าเริ่มต้นตอนการตอนใต้เป็นไงเรื่องจินตามปัญญาดตาเถึงนิยินมากใกล้กว่ดีหนึ่งทบทวน นีต้องมีกลางมีปลายอย่างไรแล้วลงท้ก็เป็นภาวนาบัญญาพอทุงคนแล้วก็ทำจิตสงบจะเป็นบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนี้ก็หมดเราไม่ใจเพืาา่อจะเข้าพุทให้ออโทโฮในพินากายเป็นการบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นภาวนาปัญาาาญาปัญญาเกิดจากันรภาวนา พญากลายจากการใครควรพิจรารณาพญากลายการฟังเร า, าก็จะต้องถามประการเลยนักบรญหานตะ่าดีเราก็นั่งภวนาประมาณอาทีมาแล้ว <c oughs> ได้ฟังว่าวันมาณเพียงทีมวยเราฟังที่เราสนใจ เมือ่อเวลาผ่านไปเร็วโดยนั่งภาวนาก็เด็กกว่าห้าทีชาแล้วก็อันี้ขึ้นอยู่กับว่าโอสนใจเรื่องการฟังมากกันพอนาก็เหมือนกับว่าเวลาฟังเดียเด๋ยวๆจากการภาวนาเรายังไม่่อยชำนาญก็นานหแต่ว่า พู้ภาวนาะทำนานแล้วเชื่อมองมอนเดียเด๋ยวๆเป็นห่งแบบเหมือนกันเพราะยังสงบเหมือนมันมนอนหลับสนิทนั้นคนหลับสนิเนี่พรบําเดีย๋ยเตื่นแล้วระวั ง, งแล้วแต่คนที่นอนกระดับดายเนี่ยโอ้เดี๋ยวตื่นแล้วตัวไม่สบาย่านพี่เช่นเดียวกับการภาวนาเขาพูดเรื่องหล ก, การ สิารก็เป็นเรื่องเข้าใจว่าทบทวนคันดีพรังปโรหิตขาหนีปานางวิชาให้ไปให้ไปวิชาท่านให้ไปวิชาครูโคตุสมรรถเทพบุรามเฮอยาโตหลักการมนเป็นเรื่องของช า, า, i i well. า, างปชาปรณ์ จงระบาตรสํสาูวง์ภูย่าภูยสู้ําการจงเม่งก่อใน้ถึงรอบทายาทพระฤาปีนังจงช่า ง, งเจตให้ข่องแผ้วให้ดงัตตงอาตตนังมีํำสอนวิะจ้าทั้งหลายคุนตาดใจเราไม่ใช่เมียที่ผ่านมานี้ ไม่ยน า, านขนาดสอง2ันหรอยหกสิบสองปีแล้วคุณตาอคุณากแสดงว่าโรกเรานี้มั น, มมปในใเป็ น, นยุกยุกมองลูวงไกลด้วยก่อนเชนยุกในเสวยุกที่มมสัดหลายไม่อยุดอะไรสั่งนี้แต่นั่นแหละท่านมองว่า พูจ้างอดตเนี้มีบันเป็นยกเป็นยกเป็นกลับกลับลูกเราก็เรียกวพักลับผูเจ้าผ่านมาสิพรองค์พระเครื่องโสันโทพระกนคมพระกัสโพเขาเรียกวพร ะ, รพระงงนัะงโมเพงงื่อณ์แสดงว่าอนาคตในกลับนี้จะมีกองพระยาไมา่ไตยทุกพระองค์ ที่ป็นพุเจ้าจะมีการแสดงหลักธรรมตรงกันจะเป็นเรื่องของธรรมจักไอสตยเตก็ตามเรื่องของอรหันต์พรกนิกามเรื่องที่้นตันหาก็ตาม เรื่องของทานช่วงกกร่งก็ร่างแสดงว่าแตองนั้นเึิงแต่ตัวต่างยุคต่างหมายแต่ก็ไม่หลักการตรงกันนั้นเราฟังไว้แล้วเมื่อมีความใจดีเร่องเราได้อ่านได้ฟังมามาเห็นน้อยแล้วแต่ทุกครั้งแล้ว ก็เป็นของใหม่สาหรับการทำปัจจุบันก็เเรื่องภาวนาคนเท่อย่างเก่าก็ตามเคยภามนาแล้วห้ใจเข้าบอกอะไรบางทีเวลามาขอให้ยใจมานานแล้วพ่จารกายเขากายก็ตั้งเกิดมาแล้วไม่กายแล้วเรงย้ำของเก่าเนี่ยนะแต่เมื่อทำแต่ละครั้งแล้ว มันเลยกลายเป็นพลังสูงขึ้นเช่นว่าถ้าประะาราอักขระเรี่กว่าจนหน้าบาทบวมบาดนี่ไหนๆก็มีเพียงย่นย่อสามอาการคือโลภะโรคโทจะโกรธ โมหะหลงทั้งหมดมีทั้งเดบักันแต่ว่าย่นออกมาพวกให้ทั้งหลายมาเป็นพวกทานพวกโหังกังจังอะายเป็นเิศพวกเตอรัมินาเป็นวิภาวนาเรียกว่าจะไม่เอกไระกันก็โรคยอดงลงเป็นโรคหลงเป็นมาเรื่องของคํารบ ของนี้มันแฝงอยู่ในจิตใจของคนเราต่อเรื่องมาไม่อยากวันก่อนนึ่ก่อนไม่ก่อนชาติก่อนไม่ไรพวกประชาตเต็มทีแล้วอย่างคนเจ้าไป็นศัตรู้แล้วคนกนระแสรู้โอ้โเราเนี่ยไม่รู้เกิดมาจาชาติเรียว่าเสพชาติใหญ่แต่ละไรชาติจะไม่มามางวีไม่อยชาติเดียว พอย้นนําเสรเป็นรรมารีแขก้าก็ต้องผ่านมาถึง 4. ที่ตรงข้ายกมาเลยตอนนั้นขับนานมากเราต้องพว ง, งวกันดยวยกันไม่จะเกิดมารู้ว่าเกิดวันเนปีเมื่อไร่ปีปีแต่คนเกิดมันอีกยาวนานเหลือเกินทะนั้นจํ า, า, าจไม่ได้เอาใจสัมทานในพระเจ้ า, นนาท่านแสดงว่าท่านภาวนาย่ำต้นไม่ใช่นอนัรวมาก แล้วก็ยามกลางก็รู้ว่าบุคคลนจ้ตัดทั้งหลายตายแล้วไปเกิดที่ไหนรู้ให้สนนโดยชอบพระเจ้าห้องเลยเชเดียวกันนั่นด้าหนึ่งให้หลักการไว้ว่าให้ระบบาขอ้อแรกที่สองเพ่งกสอนที่สามทำเจตสบงข์ไ้าเรื่องบาปนั้นเป็นเรื่องของความเจ้าหมองกอจิตใจ เรื่องความตอกอบขอ ง, จงใจใจเราอาบน้ำใช้ ร, ร่างกายมีสั่วมีเรื่องของเครื่องร่างอะไรอย่างหมุนหลงทุเรศหรือทับท้าก็ใช้เครื่องเจฏฐิยาทับท้าถั่วแต่เรื่องขอ ง, จงใจใจเนี่ยมันอยู่แล้วอาบน้ําไงก็ไม่ใง่งใจใจหรอก เมื่อมันมีบาปในใจแล้วทำไมล่ะท่านบอกว่ามีเครื่องช่วยชันแล้วร่างกายเป็นตะโบเป็นพวกโรชันเท้าไรจิตใจนี่บาปนี้เหมือนจิตใจหลวงนี่ต้องชำระดิฉินพื้นฐานคือสินห้าขยับขึ้นสิบแปด สองขึ้นสิบสิบสองเงินจะน้อยหนึ่น ง, งแต่เมื่อฟังดูแล้วเราทั้งหลายทิ้งห้าได้รับกันมาไม่ใช่น้อยทั้งพิธีสองก็เด้ตังใหญ่ก็ได้แต่คุณธรสมทิ้งห้าได้สมมูทในวันนี้ไม่ใช่มีทั่วไป บางคนได้4บางคนได้สามได้สองถ้าเพือว่าต่ำกว่าสามก็ได้กว่าเริ่มในขั้นทุนแล้วถ้าคบมากเรียกว่าอย่างน้อยชาวบ้านในทานี้ก็ประมวลเมื่อเราต้องการจะได้คนนำสองเงินไปแล้วท่านบอกว่าต้องไม้เส้น ขึ้นหน้าเพือนฐานถึงการโถงขึ้นทับชาบาถ้าเป็นตำแหน่นสินเด็บพิธุถึงทรองนี้ให้โถงเป็คือว่าช้นส่วนที่เรียกมีสูตจะเป็นหวังเทพบุญธรรมจะไม่ฐานะมั่นคงพินธุ์มังของพวกระทำนี่นี่เป็นที่ ทิ้งหลัฐานของมัหนดทีานท่านราเสนี้ก็สามารถทำให้เราได้ในสองไม่ใช่ น, น้อยเหมือนกันทันมาเรื่องอุอนหมายถึงความฉลาดฉลาดธรรหาเกณฑ์นี้เป็นธรรมเชลาดในกานกเตทำฉลาดในกนาร น่นาหนที่ขณะในการเจริญปัญญานี่ถ้าไม่ใช้ความยิ่าใสูงขึ้นจะเรียกว่าเรื่องของผู้ปัญญาทางโรกนั้นปัญญาหนาขึ้นก็ได้สินทรับมาอย่างมากก็ไปแค่บุตรมแต่ทิ้นทําทในรักษานั้นสิ้นทํามันติดตามไปถึงชาติหน้าไดา้ นี่รัฐานเชนเราก็เมือ่อทำกุศลเนี่ยว่าเราฉลาดว่าเชนคนนี้แล้วเขาทำใจรักษายังไม่คอท่านแสดงว่าต้องการรู้อย่างจริงจงแล้วต้องนันวาทิสมาทีไปเวย่ยไปทำสมาธิไปทำมีงานที ท, ท, ท, ท, ท, ท่านหลายจงทำวานทิจิตตั้งมั่นและจะรู้เห็นตามจริง ที่ที่คนมัวเศร้าหมองนั้นเมื่อ น, น้ําคนเห็นได้ไม่ชัดน้ำใสเขาเ้าใจอะไรชัดขึ้นเช่นเดียวกันถ้าคนมัวเศร้าหมองในบาป ก, กรรมแล้วจะเป็นอะไรก็ยังไม่ชัดเพราะฉะนั้นด่านที่สองทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดมีความุกขึ้นอย่างหนึ่ง เปิดเมีปัญญาเข้าใจชัดเจนขึ้นเป็นปัญญาทางธรรมะแล้วเมื่อแก่กล้าแล้วก็สามารถจะเป็นปัญญาที่เขานาสูงขึ้นนั้นที่ไปเรื่องเย้าสองหนึ่งพร้อมนั้นเคยทาคาำฉลาดใ น, นใจิตใจมีปัญญาทางอันธรรมะ รองท้ายนติตาบุญเดชธรรมนังจงพระเจดให้ผ่องพระหรือว่าบริษุทธิ์พระเจดเหล่านี้รูปพื้นฐานก็ออกสั่งสอนด้วยความท้าทายแต่ไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์เพราะนั้น มาถึงปัจจุบันนี้ถลายหลายคนแล้วโดยหลักข้อหนาแจ้งว่าข้อทัธรรมทางธรรมนี่ก็เลยาัศนฐานถึงก็เลยทัศนาบำเพ็ญก็เลยทัศน์เจริญปัญญาก็เลยเอาบ อ, อนกนี่มันจะมีพื้นฐานเก่าต่อเรื่องมาไม่มากก็น้อยจากที่เราเนี่ยในห้องนี้ที่เตกนี้บ้างไม้ที่ ย้งงานการก็ดีไม่สนใจก็ดีออกไปอกออาคารหุนน้นทางเกินคนโผกค น, นหลโอกาสดีอย่างเราเนี่มันไม่ใช่เรื่องโอกาสธรรมนาต้องไวตฐานในใจด้วยน่กระทามาฟังและยังอุตสาหาข้าของของวันถวายทางทานก็แสดงว่าไม่ปัญญาเอาชนะความตเน นั่นคำรบได้รักษาใจนี่เราชนะความโกดได้ไม่มากก็น้อยแล้วเมื่อพอทุกคนแล้วให้หนำนานต่อเป็ น, นวันวดนนี้ตรงนี้แหละเนี่ว่าถ้าไม่สงบแล้วเราก็รู้ไหมครัํทราบแล้วว่าอ๋อดวเรายังมีรอกอยู่ไม่มา ก, กันน้อยแต่ไม่ลําเต้นที่ทำมันยังดีเนาะยังไม่โกรธ ด, ด้วย ม, มากกันน้อย ปกติฉันไม่โกรธแล้วแต่ว่าด่าพ่อและแม่ฉันทนจนไม่ได้เมื่อสัมนายจันนี่ก็ต้องโตไว้แต่ท่านนี้จิตใจสูงแล้วข้อถ้บาบ้านแก้ไขไม่ถึงกับให้ไายต่อเลยคมหลงแล้วเป็นคนอาคนข้าราชกายหลายโตบางทีมีการเลี้ยงวิสตกเต เลียงเมียเลี้ยงอะไรกันยังไ่เที่ยวเฮฮากันอยู่ในบ้านเมืองบาทีเรียบร้อนทีแต่พอดูงานต่างประเทศแล้วโอ้ไม่ใช่เร่นเหมือนกันเขาพาไปไหนก็สนุกรลานเฮฮาี่แสงว่าการควบคุมตัวเองก็พลได้แต่ว่าพูดัึงดำจิตใจเองมีความหลองอยู่ไม่น้อย ไม่พวงเราตามแต่น้อยก็หลงตัวหลงตนหลงข้าหล ง, ลงของไม่มากกน้อยแต่เมื่อภานาแล้วนั่นเข้าเมื่อแปรบ้านกันมันลดตัวหลงได้บ้างคือเห็นว่านเนี้โลกนี้พิจิตอข่าวสินชอัมันไปแค่หมดรมสินทำไปทั้งหมดนีด่แหนั้นเราก็เลย ร้อนใจธรรมะโมเถิงขั้นมานั่งภาวนาบ้างนี่ก็มันใจมาในเรื่องหลักการเรียกว่าให้ละบาปโดยใหญ่คือร่างฐานศินจะเป็นพื้นฐานศิลท่าส่งขึ้นก็ทางฐานศิลแปดอยู่บ้างก็ได้ไปวัดก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายศินทิบเป็นธรรมเรนจร ที่ตรมนันเป็นพัยทุกแต่นั้นแหละก็มีขาดบ้างบางพ้อยบ้างให้มันเรื่องดังพ้อยหรือขาดให้น้อยลงรักษาให้ส่วน ใ, ใหญ่เราก็มีการฝึกสมาธิและการฟังก็เป็นการเ ร, ริญนปัญญาให้ฟังเ ร, รยียนปัญญาพิจารณาตอนนเวียบนี้ ต่อไปก็ฟังบรรยายต่อในชุดวิธีการเริ่มต้นรมการทำ ก, การหลักการลงท้ายก็เรียกว่าวิธีการ<ม>คุณจเจ้าแสดงใหญ่ใหญ่ลงไปกับวิธีการฮนุ ว, น ว, น ว, น ว, นวานโดฮนูารโตอย่ากล่าวร้ายอย่าทำร้าย ปริโมเขยจะต้งมรอรรังในปริโมหรือสิ่นั้นต้นมัจจันยุตตายจะปันจันต์เม่งไ่อยกประมาณในพระทหารปัญจฉันท์ปัญญาฉันทงอยกที่นาง น, นอนอันสงบสงัดนี้ใจใจโยโค จงทำจิตให้ยิ่งขึ้นเป็นที่จิตจิตสรงขึ้นที่ท่านท่านนี้ก็เป็นคำตอบรระเจ้าเป็นวิธีการเรื่อเราฟังแล้วเรื่องนักพนาไม่ฟังที่ท่านแสดงแต่ฟังแล้วน้องมาเพื่อพิจารณาตนเอง รันโตรัวคาโตท่านให้บอกอยากเอาไราทำไรเรื่องในคนในโลกนี้ที่ปากไร้็แย่ที่เบี้ยเรืรเ่องอืนทั้งกาทำไรกเแยมันมีหลกฐานจางใจร้ายเพราะใจไรจึงว่าไรออกมาเพราะใจรไรจะทำไรออกมา เราไม่สมารถจะรู้ใจผู้อื่นได้ธอไม่เห็นแต่รู้จากพฤติกรรมของเขาหน่อยสช่นไงเรือว่าถ้าเป็นพวกอยู่ในสลัมก็ดีพวกหม้ค้าตำลัดบางแห่งก็ได้วเวลาโมโหแล้วด่าว่ากันแรงๆเพื่อนมั น, นกังวลนี่จ้า แต่ว่าฝวายที่มีกาพรมดีขึ้นก็โกรเหมือนกันแต่ก็ใช้จับที่เรียกว่าถูกภาพร้ อ, รอยไม่ถึงให้คำหยาดทีเดียวแต่มันก็กระเทือนใจคนฟังเหมือนกันเพราะแรงว่าเมื้องหลังกานกล่าวารนั้นใจยังไรอยู่ยังมีโทกรดอยู่ เพราะการกรทำร้ายก็โตโกรธอยู่นักปราะษานี้ปรึกษาให้แก้วหวจา ก, กับการกระทำอย่าร้ายเพื่อจะได้พกคมใจให้มันลดความร้ายลงไปถ้าเบอร์ไหวไม่มีกฎเกณฑ์แล้วก็ไม่รู้ไหวจา้าไม่กล้าไม่ทำอะไรยังไงฮะลูกให้เราแก้เรารอ ปริบอกน้อยความถึงว่าทั้งมวนระวังในปริบอก ค, คือค้นทางไ้ตึงโมฆะความหลุดพ้นนั้นต้องเดินทางด้านพวะพมทลกายวิจาให้หัวเส้นจรลงความว่า ถ้าเด็ดสินห้าสิ้นแปดสิ้นเจ็ดมิจฉานั่นพระฟังต้อมดดเรื่องสิ้นองค์พระวินัยพระใช้ ค, คำปฏิมาโมกแต่เรื่องของสิ้นแปดสิ้นห้นกาก็ทำได้ก็ทมก็มีคนเกณฑในการกล่าวอาจจะไม่เรียกปฏิมาโมกแต่ก็รวมคำว่า เรารักษาการใจเรียบร้อยนั้นเพื่อบาญฐานที่จะไปสู่โมกตธรรมถ้าเพื่อนฐานของถิ่นไม่ดีแล้วแสดงว่ายังมีใจร้ายอยู่การจะพัฒนาใจให้ถึงขั้นหมดท้นพ้นจะกทุกข์อะไรอย่างนั้นก็เป็นของยาก นั่นการนี้ทั้งวันหวังในปนิบอกิในถึของตนตนนั้นพระทั้งวันวางในปฏิบกักิขอ ง, ง, งนั่น27เาอีกเจ็ข้อทำเลวังในพระนั่น10บข้อไว้สรงนี้ก็ถึงแปดแปดข้อเราชาวบ้านนี้ก็เห็นนะาพราทบงทอนว่าในวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเรามีการพรัพรั้ง แล้วเมื่อในข้อเห็นเขาตรงกตนต้นข่าเน้อยโดยเฉพาะเห็นข่านนั้นข้อแรกเป็นเว้นขาดดับถัดมาเป็นการรับขโมยเป็นการพิเภกทางเพศเป็นการโกรหกเป็นการจำหน่ายยเมาข้อแรกเหมือนกับเป็นหัวเรือทางกลางเหมือนเขาก็ลงเรือเครื่องเรือทางท้ายข้ามเรือเรือชพาะพดเราหลายราย ไม่ต้องยันดาเห็นเนี่ยแต่เมื่อไปในเรื่องยาเมาแล้วี่เป็นเพื่อนฝูงแนะนำก็ได้เจ้าห้าย่หันยางอันนี้ก็ถือว่าหาเสือเรือได้ไม่เสียแล้วเรื่องหนึ่งก็ยุคนี้สังคมเราเรื่องรยาเมาบันฑีตวิสเกตมีอะไรต่างนี้มันแพร่หลาย มีการเผยแพร่ร้านอาหารดังคมก็จะมีเพราะนั้นเมื่อเราไปตามใจเขาทีแรกก็เรียกว่าเขาบอกว่าเอาเพียงจอกเดียวเล็กเดียวถพ่งแก่เอาแล้วเมื่อตามใจเขาแล้วทีหลังเขาจะเกิดติดขึ้นมาไม่รู้ตัวเพราะวิญญาณติด ้อมกันมันทำลายสติปัญญาของเราเป็นโรกภายต่างก็ยังไม่ถึงสติแต่รายาเมาเรื อ, อยาบ้ากหล่านี้พวกที่เป็นของเม่าหลายนั้นมันก็เคื่อเรื่องก็ตานแต่มันมันติดตกองขยายตัวในการเจเ็ไปเรื่อยทำทาลาย ส, าสติเสียหายไปนั้น จาประมาณาว่าอาจารย์เตินมนรารัตรทหารก็อยากไปโม่แล้วกไปจากมรารัฐทหารเพราะ่ า, างรานเรามีการพิจารณาทั้งช้าทั้งเงยน็นที่ว่าพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับขครนอหมอาหารที่อยู่ยาตารค เรียวกว่าจังไกโยถ้าเป็นกาวบ้านของเราก็โรมาตามทุกคนเรียกว่าเรจยกว่ามานไม่ใช่ตเนธีเหนียวหรือไม่ใช่เลยก็ไม่ใย่ฟุงเฟยฟุงเฟ้อเพราะว่าบางดีค่าเสื้อผ้าเครื่องปรดับนี้มันทําให้เงินรายได้ในเรือนเรานั้นใช้จ่ายทางนี้มันก็จะเปืองมาก เรื่องเรียกว่าถ้ารู้จักประมาณแล้วอะไรไม่ต้องกวนใจก็าจจ่ายอย่างนี้เลยว่าทำให้เราไม่ถึงไป น, นี่ไปถึงนี่นใครแล้วก็ปัญญาเทนนนสั น, น, สนงควรยินดีในที่สงบถังัดเพราะว่าเมื่อต้องกันภาวนาแล้วถึงไม่ได้ไปป่าไปตรงกระดานมีมุมสงัดของเรานในบ้าน ไปน้รงพระคนะะนี้สามารถ่จียระนำเพียไห้นอกได้ยินนี้ก็จ้าว่าทาให้เราได้เห็นตัวเองรู้ตัวเองนั่นพูางก็จัดตะกบไดลงท้ายเรื่องของที่จตยยโยโิตใจยังย่อคอแรงจิตเน้มันต่ำด้วยบาปกรรม ค, ำคำําม่ทั้งหลายโรคใจต่ำกว่าความ อย่างได้ทําได้นทำโกรธใจดำความที่ชอบเปรียบไม่เป็งของหลงก็ใจดำความวาเรื่องของความรู้ความฉลาดแต่เมื่อเราทํำทานได้แล้วจิตเริ่มสูงป่าโลภะแล้วลรัตฐานิสจะลดไม่ตาจิตสูงเนือโทสังแล้วแล้วเมื่อทำํำภาวนา ยาร์บัญญญาจิตสงฆ์เนี่ยโมหันแล้วตรงนี้ลนะเมื่อทำกายฆ่าแล้วจิตเขาห้อยสูงฆ์เมือแต่ต้องไปนั่งเทศละเรื่องของการรบนั้นมันพื้นฐานคนถามมันใช่ไหมว่าพระตติถ่ายดีบ่อนพนันมีจับคนร้นายได้ไหวอันนี้เดินถางไปเรื่นเนียงตัวรบ ยังไม่เท่นั้นขโมยนั่งโกงแต่พนั้นนี่เป็นลูกน้องของกันโกงแล้วแม่นักพนั้นหลายก็กไม่ได้เลียมแล้วเรื่องของถ้าเราไม่ทําทานแล้วควบคุมตัวลบในยากถ้าเราไม่ได้ทำถิ่นแล้วไม่ใช่ในมีตาแล้วควบคุมตัวโคตรในยากถ้เราไม่ ขา้าวนาแล้วผมตัวหลงแล้วเพราะนั้นจะแก้รอบนี้ยังไงก็ต้องเป็นาทานไม่มากก็ น, น้อยทําปแล้วเราเสฉยๆมันก็ยากถ้สาตาเสถมันกันทำไปเมตตาแล้วลกสารตาเสิญอยู่พอมันดับพ่อเแม่เราก็ควบคุมไม่ไหวต้องใช้ไมตตาปเป็นพื้นฐานก่อนนอกจานั้นแล้วต้องมีการฝึกคิด ไมอย่างนั้นที่ใจเราอ่อนนี้มันก็แพ้เกลีดง่ายแพ้โรคง่าโกรธโรงท้ายนี่นต้องนี่ว่ามีการนั่งเจริญสมาีิเจริญปัญญามาันิทำให้เกิดพลังจิตเหมือนก็นว่าผู้หญิงตบกันมือแปรแมันก็นไม่มีรงเท่าไหร่ผู้ชายที่เขาเข้าใจ ก็เน่วเออก็เหมือนกันแล้วคุยไมยญ่เขารวมเน่วก็กลายเป็นกำปั้นมันก็มีพลังชกกันตาลทีก็แรงที่แอ่คนที่ไม่ได้ฝึกก็เหมือนกันเน่วแหววมันก็ไม่มีพลังเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วปัตตานีเป็นแล้วก็มูลปฏิวัติมุ่งับเพียนเพ่งกรรมฐานนานเข้าก็จะค่อยสงบ เพื่อเป็นพลังใจควบคุมนี่แหละได้ดีขึ้นรองท้ายเจ ร, ร, ริญปัญญาเมื่อมาที่แล้วจิตใจผองใสก็จะเห็นเรื่องภากองของใจว่ายังมีโมหะความหลงอยู่มากกันน้อยเมื่อเรามีการภาวนาโดยนิ่นฐานฐานาาที่ช่วยเกิดเป็นพลังใจเจ ร, ร, ริญปัญญาใจค่อยผย่องใส นานไปก็ถึงขั้นสะอาดพัสรอนแล้วก็ถึงขั้นบริสุทธิ์ไปนานว่าเราตัวในหลักํำคัญคในส่วนที่ละทั่วทรรมนีม้มปสายนั่นก็มีขยายไปเป็นเรื่องของพุรธงการมาเป็นเรื่องวิธีการนั้นก็อบอนวิธีการดีว่า โนโนโนคันโตไม่ข่าร้ายไม่ทำร้ายเพรเม่ไม่อเคต้องโรประมาณนี้จากสถาทปารีโบกคาท้าเตงสนทนมันใจมันประมาณพัฒหาไม่พุเฟืยแล้วไม่พุเพืไม่ถึงได้ตันเด็กกันไปใช้ต่างต้องห่วนแล้วก็มัตตงนซาบัริ่ง จบ้านต่างแล้วก็มีพันธัตางๆพลังยินดีท่ออากสสัสงบเารนยินดนีทำาท่ากันลงรายได้กว่าอันนี้จะาอยู่โคไม่การพรัฒนาจิตให้คงขึ้นโดยหวังว่าขนาดวันนี้ขนาดนี้เมื่อลงไปเวลาเราก็ใกล้หมดเข้ามาเช่น การนั้นการทำนี้ก็เรื่องบทนิยแล้วแต่ว่าบทตานสัมันกมันหมดความใจนั่นไม่รู้เมื่ไรคุณเธอจะแสดงว่าเรื่องยุ่ยท่านยยยาวนั้นอย่างนั้นเป็นเรื่องโรยยากแต่ว่าเราทําบุญนําทานไว้ก่อนได้เมาไว้ก่อนเป็นไม่เปิดโอกาสให้มาชดั้งเมื่อมีบุญพื้นฐานแล้ว เมื่ารยุนาแล้วอย่างน้อยพริกรรมคุณโถ่คุณโถไว้ให้เป็นนิสัยผู้โรคผู้เดินปวงกันเลี้ยงมเจ้าไว้หนาแน่นหรือทําโมทั้งโอแต่น้อยเราคุณโถไว้ตัวเดียวนี้ไรจุกเฉินนี่ช่วยตัวเองได้เค้าไม่หลงทํากันกริยาไม่หลงตายเมืจิตใจอยู่คุณเจ้าหรือพระคุณโถเขาจะตรงไว้ตัว คือตัวกัน เ, เติไป ท, ที่หวังเพระผลพานติดตามมาท่านเห็นว่าพอสมมนิในเวลาที่กำน ห, หดนดไว้นเนี่ยเขาจะการมันย้ายเพื่อนี้ข้อความของคด้มีท่านหลายโดยส่วนกันเท่าน